คนทุกวันนี้นะแม้ว่าจะมีความสะดวกสบายแต่นั่นก็เป็นเรื่องของกายนะใจนี่จำนวนไม่น้อยเลยนะมีความวิตกกังวลมีความเครียดจนกระทั่งเรียกว่าเป็นความเจ็บป่วยชนิดหนึ่งนะที่จริงความเครียดความวิตกกังวลก็ธรรมดาไม่ใช่ว่าคนเราจะไม่มีสิ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคนจนมากนี่มีมากขึ้นเข้มข้นขึ้นรุนแรงขึ้นและเป็นกันทั้งโลกเลยโดยเฉพาะในหมู่คนที่ มีการศึกษามีความรู้มีเศรษฐฐานะหรือว่าไรายได้หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะไม่น้อยเนี่ยก็ไม่รวยทำยังไงก็ต้องพึ่งยาเดี๋ยวนี้ยาที่เกี่ยวกับคลายเครียดคลายความวิตกกังวลถ้าขายดีนะอันนีร้รวมไปถึงยานอนหลับด้วยแต่ว่าเมื่อเร็วนี้เนี่ยเามี การศึกษาวิจัยนะพบว่าไม่ต้องกินยาก็ได้นะการเจริญสติการทาสมาธิภาวานา น, นี่ยมันก็ช่วยลดความวิตกกังวลได้ที่จริงเรื่องนี้ก็รู้กันมานานแล้วแต่ว่าการศึกษาวิจัยครั้งนี้มันสำคัญหรือมันน่าสนใจมากก็ตรงที่ว่ามันมีการมันเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยานะกับการเจริญสติ อันนี้มันไม่เคยมีการทำการศึกษาเปรียบเทียบแบบนี้มาก่อ น, นแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์นะในอเมริกานี่เเมื่อเร็วๆนี้เขาก็มีการเปรียบเทียบนะคน2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็ประมาณสักรสหคนนะรวมทั้งหมด2กลุ่มก็270ทั้งหมดเนี่ยนะมีความวิตกกังวลสูงนะ ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เาให้กินยานะกินยาลายเครียดกินยาระงับความวิตกกังวลอีกเครื่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้ทดลองทำสมาธิด้วยการเจริญสตินะใช้เวลา8อาทิตย์นะคนกินยาก็กินไปนะตามหมอสั่งนะก็คือกินทุกวันส่วนคนที่นั่งสมาธิเขาก็ให้เข้า จะเราเป็นคอสก็ได้นะแต่ก็ไม่เจอเป็นคอส น, นะมันเป็นแค่การมาเจริญสติร่วมกันอาทิตย์ละครั้งครั้งละสองชั่วโมงครึง่งไม่ได้เข้าคอสนะคือไม่ได้มาอยู่วัดไม่ได้มาค้างคืนปฏิบัติทุกวันนะเอาแค่ว่าอาทิตย์ละครั้งครั้งละ2ชั่วโมงครึง่งเป็นเวลา8อาทิตย์นะแต่ก็มีการบ้านนะคือว่า วันเนี้ยก็ให้ไปทำเองนะตรญสติวละสี่สิบนาทีเสร็จแล้วเขาก็พอครบแปดนาทีเขาก็มาดูว่ามันมีความแตกต่างอย่างไงนะระหว่างคนที่กินยากับคนที่เตริญนสติก็เพราะว่าได้ผลใกล้เคียงกันหรือว่าเกือบจะเท่าๆกันแล้วก็คือว่าความวิตกกังวลมันมลดลง 2 0่0าเรหลังนี้เขาศึกษานี่เขาศึกษาละเอียดนะเขาต้องคิดเป็นตัวเลขเจริญสตินะอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ทำที่บ้านวันละ40นาทีเทียบกับคนที่กินยาทุกวันเรากันว่าความวิตกกังวลลดลงพอๆกันนะ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าจลสติเนี่ยมันมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยแต่ว่าการกินยานี่ผลข้างเคียงมันเยอะนะบางคนกินยาไม่ได้เพราะผลข้างเคียงเยอะบางคนก็แพ้ยาแต่ว่าจลสตินี่ไม่มีผลข้างเคียงมีแต่ผลพอยได้นะหรือว่าผลเพิ่มเติมนะก็คือว่านอกจากความเครียดลดลงแล้ว นอกจากความวิตกกังวลลดลงแล้วนะก็อาจจะก็สามารถจะทำงานทําการได้ดีขึ้นมีสมาธิกับงานการได้ดีขึ้นนะนอนหลับได้ดีขึ้นนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าช่วยลดความทุกข์ลดกิเลสได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราจเจริญสติเป็นเนี้ยมาดูมาดูใจนะเห็นกิเลสเห็นความโลภนะไม่ปล่อยให้มันครอบงําใจ ชีวิตก็มีความสุขได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องไปวิ่งเต้นไล่ล่าหาเงินหรือว่าไต่เต้าเอาดีมันก็ช่วยทำให้ชีวิตเนี่ยมีความผาสุกมากขึ้นอันนี้ไม่เรียกว่าไม่เรียกผลคางเคียงนะแต่เราเป็นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้หรือว่าผลเพิ่มเติมการศึกษานี่มันก็ทำให้มีน้ำหนักนะว่าสำหรับคนที่มีความวิตกกังวลเนีย ถ้าว่ากินยาไม่ได้หรือไม่ชอบกินยาก็มาเจริญสติกันมาเข้ากลุ่มทํำสมาธิด้วยกันซึ่งในในต่างประเทศอย่างในอเมริกานี่การที่จะมาเข้ากลุ่มนั่งสมาธินี่มันก็ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนะเพราะบางแห่งบางที่ก็ต้องเสียเงินนะเสียเงินค่าสถานที่เสียเงินค่าอาจารย์วิทยากร แต่ว่าถ้าเกิดว่าวิธีการเนี่ยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนะต่อไปบริษัทประกันภัยเนี่ยนะหรือบริษัทที่รับประกันสุขภาพเนี่ยเขาก็อาจจะยอมรับนะในการใช้วิธีนี้บำบัดพร้อมจะจ่ายเงินทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเฉพาะคนที่ไปหาหมอไปกินยา แต่ว่าใครไปนั่งสมาธินี่เขาไม่จ่ายนะแต่ถ้าเขาพบว่าหรือยอมรับว่าการทําสมาธิมันช่วยลดความวิตกกังวลได้นะต่อไปเขาก็จะครอบคลุมนะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยมันก็จะส่งเสริมให้คนเนี่ยไปใช้วิธีการบําบัดด้วยการเจริญสติเพื่อลดความเครียดความวิตกกังวลและต่อไปก็จะ เอาไปใช้ในการลดความซึมเศร้าได้ใอ้ลดการซึมเศร้านี่ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะซึ่งอย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีการบรรเทาโรคซึมเศร้าด้วยวิธีการหลายอย่างให้ไปออกกําลังกายให้ทํากิจกรรมนะที่มันใช้เหลี่ยวใช้แรงใช้มือใช้ไม้เช่นวาดรูปหรือว่าปลูกต้นไม้หรือว่าแกะสลักไม้แกะหรือว่าวาดภาพ ต่อไปก็อาจจะมาใช้วิธีการเจริญสติแต่ไม่ใช่เข้าคอร์สนะไอ้เข้าคอรสนี่มันอาจจะหนักไปหรืออาจจะทําให้เกิดผลเสียได้สําหรับคนที่วางจิตวางใจไม่เป็นแต่ว่าถ้ามาเข้ากลุ่มสมาธิอาทิละครั้งเนี่ยเอออันนี้มันเป็นไปได้มันง่ายกว่าอาทิละครั้งครั้งละสชั่วโมงครึ่งก็มีคนอ่มามักจะบ่นว่าโฮ้ยกินยามันง่ายกว่าไม่ต้องใช้เวลานะไปใช้ การเจริญสตินี่มันต้องไปใช้เวลาวันละ40นาทีหรือไปเข้ากลุ่มบําบัดเข้ากลุ่มสมาธิทั้งละสชั่วโมงไม่มีเวลาทํางานเยอะนะแต่จริงถ้าหาว่าพูดถึงการจัดสรรเวลานี่มันก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่มากอะไรนะแทนที่จะหมดเวลาไปกับความทุกข์นะมีเวลากับความทุกข์ได้นะมีเวลากับความ โศกความเศร้าวความเครียดความวิตรกกังวลได้แต่ทําไมมีเวลาให้กับการเติมสติให้ใจนะเติมความสึกตัวให้ใจทำไมถึงไม่หาเวลาให้หรือไม่คิดว่าจะมีเวลาบางคนบอกว่าโอ้ยการจุลสติมันทําได้ยังไงไม่มันมีความคิดเยอะไปหมดเลยบางคนไม่เข้าใจว่ามันต้องไม่มีความคิดหรือความคิดสงบจึงจะทําสมาธิได้ที่จริงตรงข้ามนะ ถึงมีความคิดก็เจริญสติได้นะทำสมาธิได้แล้วมันก็ดีด้วยนะถ้าว่าฝึกให้รู้ทันความคิดแล้ววิธีที่เขาแนะนำนนะมันก็เป็นวิธีที่ง่ายนะก็คือให้ตามลมหายใจนะแล้วก็ให้ทำใจอ่อนโยนกับความคิดนุ่มนวลกับความคิดไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดเลยไม่ใช่ไปไล่ตะปบขับไล่มันแต่ว่าอ่อนโยนกับมันนะแล้วก็รู้จักปล่อยวางนะ ถ้าเราฝึกนะทนที่จะไปกดข่มจิตไม่ให้คิดทานมาฝึกให้รู้จักอ่อนโยนกับความคิดเห็นมันเกิดขึ้นดูมันดับไปนะอันนี้แหละเป็นวิธีการปฏิบัติได้ที่ไม่ยากแล้วนอกจากตามตามหลวหายใจที่เขานำมาใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วนะเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการสแกนตามร่างกายนะสะแกนไปตามสมองศรีรษะนะคอไหลบา่าท้อง ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่อนคลายก็คือว่ามีสติรู้กายนะแล้วก็ให้จิตมันแล่นไปตามกายด้วยความรู้สึกผ่อนคลายซึ่งก็ไม่ยากอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เอาวิธีนี้มาใช้นะสำหรับคนทั่วไปนี่มันก็จะช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ได้มากไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะความเครียดเนี่ยมันก็มีเป็นธรรมดาแต่ว่ามันจะลดลงแล้วก็ทำได้ชีวิตตามปกติหรือว่าใช้ชีวิตมันดีขึ้นได้